ขอนอขน้อมน้อมตุกคุณพรัตนาไตรโอกาสเพื่อนสัทธมิตกท่านเจริญธรรมมันและไม่ทีเจริญธรรมไม่ทีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนาะเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้ไปมีโอกาสไปเยี่ยมอาจารย์กำพลทองบนนุ่มเนาะ <c oughs> คือหมอก็บอกว่าอาจารย์กำพลนี่ก็อาการหนักแล้วอาจจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือน <c oughs> ครนนั้นี้ก็จริงๆแล้วท่านก็น่าจะอาการหนักนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องเอาไว้ว่าภายในก็ไม่อาจจะทำงานได้ตามปกติ <c oughs> ซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่อ่าหรือว่าอาจจะมีความทุกข์นะหรือว่า พูดไม่ก็ได้นะหรือว่ า, เ, าเคลื่อนไหวก็ลําบากะ ต, ต่างๆเป็นอาการของคนที่อาการหนักเนาะแต่พอไปเยี่ยมปรากฏว่าอาจารย์กําพลนี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากไม่ไม่เหมือนนะคนที่อาการหนักแต่อย่างใดเนาะดูแล้วยังน่าจะมีความสุขมากกว่าคนธรรมดาอีกเนาะยังพูดเล่นได้นะก็ มีอากาศไดพูดคุยนะแล้วก็ท่านก็มีความสดชื่นนะไม่ไม่เหมือนกับคนที่มีอาการหนักแต่อย่างใดอนะท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ที่จะนําความทุกข์มาให้ท่านเลยอตรงนี้ก็เป็นอ่าเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย อ, อาการที่เรียกว่ามีความป่วยในทางกายต่างๆเหล่านี้นะจะไม่ทําให้ผู้ที่มีจิตใจ ที่เหมือนกับเข้าใจธรรมะแล้วนะมีความทุกข์ได้นะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเครื่องที่ยืนยันว่าที่ท่านเคยบอกว่าท่านลาจากความทุกข์แล้วนะลาจากความพิการแล้วจิตสดใสใจท่านก็พิการจิตสดใสไม่ไกลพิการต่างๆเหล่านี้นะก็ไม่อาจที่จะทำให้ใจท่านมีความทุกข์ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งนะ ะคือร่างกายของท่านนี้ก็มีความอไม่แข็งแรงเหมือนคนธรรมดาอยู่แล้วนะเป็นอัมพาตนะแล้วก็ลุกไปไหนก็ไม่ได้อ่าจีเดินเดินยืนเดินนั่งนอนแบบคนปกติก็ไม่ได้คือร่างกายท่านอ่อนแออยู่แล้วเนะอ่อนแอมากแล้วก็ต้องมีคนช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วจริงๆท่านก็เป็นอาการหนักๆนียมาหลายปีแล้วเนาะแต่ที่ฟังข่าวดูคนที่ แข็งแรงหรือร่างกายดีๆนะแต่ว่าเป็นเป็นคล้ายๆอย่างนี้นั่นแหละแต่ปรากฏว่ากา็จากไปก่อนท่านองหลายคนนะจากไปก่อนแต่ท่านก็ไม่ได้จากอะไรไปนะทั้งๆดีร่างกายท่านก็สู้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็คุณเอ๋อคุณเ อ, อ, ณเอซึ่งเป็นประธานชมรมเพื่อนคุณธรรมนะก็ได้ได้คุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ย คุเอ๋นะครัะบอกว่าที่ดูแลอาจารย์กำพลเนี่ยนะคืออาจารย์กำพลเนี่ยไม่ได้อว่ารักษาโาครคภัยไข้เจ็บอะไรหรอกแต่ว่าท่านรักษาใจของท่านเองนะท่านไม่ได้รักษามะเร็งคือจริงๆท่านก็เป็นมะเร็งเนะแต่ท่านไม่ได้รักษามาะเร็งแต่ท่านรักษาใจของท่านเองนะให้ใจของท่านเนี่ยอ่าเป็นปกติมีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อใจเป็นปกติมีความสุขแล้ว ใจก็อสามารถที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ใจก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อใจไม่มีความทุกข์แล้วเนี่ยอาการมะเร็งต่างๆมันก็มีผลน้อยเนาอ ะ, อะก็ยังยกตัวอย่างว่าคนที่คนปกติทั่วๆไปหน้าทีมไม่ใช่ใจกำพลที่มีใจเป็นปกติได้มีใจไม่มีความทุกข์มากแม้ว่าจะเป็นมะเร็ง แต่เราสามารถรักษาใจให้เป็นปกติไม่มีความทุกข์ได้ก็สามารถอยู่ได้นานนะบางคนก็อยู่ได้หลายๆปีเลยแต่บางคนที่เป็นมะเร็งเหมือนกันนะอาจจะเป็นไม่มากแต่พอได้รู้ข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็จิตใจก็จะไม่ปกติใจก็จะตกใจก็รู้สึกว่ามีความทุกข์มีความอ่อนแอมีอาการแปรปรวน หลังจากนั้นก็จิตปุงแต่งนะว่าเราจะแย่แล้วเราอาจจะอยู่ไม่ได้นานนะเร า, า, ามีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จากการทุกข์กายเพียงไม่มากามาทําให้เกิดการทุกข์ใจใจไม่เป็นปกติต่างๆขึ้นมาก็เลยทําให้อยู่ได้ไม่นานนะพวกนี้ก็จะจากไปอย่างรวดเร็วออย่างที่พระอาจารย์เผยานัเคยเล่าบางคนบอก อพอรู้ข่าวไปมะเร็งจริงๆก็ยอยู่ได้เป็นปีนั่นแหละพอรู้ข่าวไปมะเร็งปุ๊บก็อยู่ได้เป็นเดือนเดียวก็จากไปก็มีนะเพราะว่าใจมันตกนะใจมันไม่ปกตินะเพราะฉนั้นอาจารย์กำพลนั่นก็ไม่ได้ว่าต้องไปรักษามะเร็งอะไรก็รักษาไปตามปกตินั่นแหละแต่ใจท่านก็ยอมรับ <c oughs> ใจท่านไปปกติได้ท่านเพียงแต่รักษาใจของท่านนั้นเองนะท่านก็อยู่มาได้นานๆเนาะ อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันในการที่เรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันแล้วเนี่ยอ่าใจเราเป็นปกติได้ไหมใจเราเมื่อได้กระทบสิ่งต่างๆนะในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะมลลมใจเราเป็นปกติได้ไหมใจเรารู้ทันความปรุงแต่งไหมนะอเพราะว่าชีวิตคนเรานะีมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นปกติได้ตลอดเวลาหรือว่าจะอยู่นิ่งๆ น, นะหรือว่า มันจะอยู่เฉยๆได้จริงๆแล้วใจเรามันก็คิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันก็มีการคิดไปในเรื่องเรื่องต่างๆอยู่บ่อยๆนะแล้วมันก็กระทบอารมณ์ได้บ่อยๆนะตาให้นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดนี่แหละตรงนี้มันเป็นประตูนะประตูที่ทําให้ใจเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์แล้วมันก็ไปปรุงแต่งต่อเป็นความชอบความไม่ชอบไป ตรงเนี้เราใจเป็นปกติได้ไหมนะเพราะเราจะไปห้ามการกระทบก็ไม่ได้นะจะไปห้ามเออตาไม่ต้องมองหูอไม่ต้องฟังก็ไม่ได้ใจไม่ต้องคิดก็ห้ามไม่ได้นะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องว่าเขาทํางานของเขาตามปกติอยู่แล้วนะคราวนี้นะ่ะเรารู้ทันอารมณ์ของเราไหมนะตรงนี้มันสําคัญกว่านะี่มาเพราะการที่เรามาปฏิบัติธรรมส่วนนก็คือใจเขาก็เป็นปกติอยู่เรื่อยๆนะ แต่ไม่ใช่เราไปทำใจใเขาให้เขาปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นปตัติยงเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่เราจยไปปรุงแต่งกับเขาเท่านั้นเองก็คือเรารู้ทันรู้ทันสิ่งต่างๆที่เข้ามาในทางตาทางหูความนึกคิดต่างๆในโต๊ะเหล่า น, นี้แลหละเมื่อกระทบแล้วเขาก็ปรุงแต่งไปมีความชอบความไม่ชอบไปตามปัจจัยตามเหตุของเขาเพียงแต่เมื่อเรารู้ทันเราก็รู้เฉย รู้แล้วก็ทิ้งแล้วก็วางไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาเนาะไม่ต้องไปช่วยเขปรุงแต่งนะตรงนี้ใจเราว่าเป็นปกติได้นะป ก, ปกติหมายความว่าเราไม่ ไ, ไปทําให้เขาปกติแต่เขาเป็นปกติเขาเองได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องเราก็จะรู้สึกว่าเราก็เป็นอย่างนี้นะั่นแหละใจก็ปกติได้บ่อยๆได้ทั้งวันนะถึงแม้กระทบอะไรใจนึกคิดเป็นในทางไหนนะหรือมีอะไรมากระทบใจเรา ใจแล้วก็ปกติได้เพราะมันรู้ทันการรู้ทันนี่ยแล้วรู้ทันแล้วเนี่ยมันสำคัญมากว่าเรารู้ทันไหมรู้ทันได้เร็วไหมส่วนมากเวลาเรามีความไม่พอใจมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็เราก็รว่ามีความโกรธแต่ว่ามันเป็นเราไม่เห็นความโกรธใช่มมันต่างกันเนาะการที่เรามีความโกรธก็เราเห็นความโกรธเนี่ยมันต่างกันนะอย่างที่เมื่อวานนี้ที่ เปิดของหลวงพ่อกำเขียนนะท่านก็บอกว่ามีนักใบัตทคนหนึ่งบอกว่าวันนี้หนูมีความเครียดมากหลวงพ่อบอกให้พูดใหม่นักกรรมฐานไม่ได้พูดเช่นนั้นอ่านักใบบาทก็บอกว่าวันนี้หนูเห็นความเครียดหลวงพ่อบอกว่าอใช้ได้นะก็คือเราเราเห็นเห็นความเครียดกับหนูมีความเครียดมันต่างกันนะอืถ้ามีมีถ้าเรามีความเครียดเราก็รู้สึกว่าเราเรามีความเครียดเราเป็นผู้เครียดเนะ แต่เมื่อเราเห็นความเครียดล้วก็รู้สึกมันก็ห่างไปนะก็คือเห็นเห็ he en, he en นมะันเครียดนั่นแหละมันไม่ใช่เราเครียดนะแค่เราเห็นมันก็มันก็จาดไปแล้วก็คือมันก็ห่างไปมันแยกออกไปนะะเพราะฉะนั้นอ่าการที่เรามีความโกรธกับการที่เราเห็นความโกรธมันก็ต่างกันนะมีความโกรธก็คือตัวเราโกรธนะั่นแหละมันมีตัวเราไปผสมอยู่ด้วยอืแต่เมื่อเราเห็นความโกรธมันรู้สึกว่ามันก็คือต่างกันมันก็คือมันโกรธใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธ ใจมันเครียดไม่ใช่เราเครียด น, นะนะกายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากของการปฏิบัติธรรมนะเหมือนกรูบาอาจารย์กาพลในระยะแรกที่ท่านปฏิบัติธรรมใหม่นะท่านกนะ็อ่านหนังสือท่านก็ตอนนั้นท่ทานก็ประสบอุบัติเหตุแล้วกนะ็เป็นผู้ที่เป็น อ, อมภาราศแล้วเราอ่านหนังสือทำมามาถึงสิบหกปีฟังเทปต่างๆจากครูบาอาจารย์ ท <c oughs> านบอาท่านบรรลุธรรมได้จากการฟังหรือการอา่านถ้านคงบรรลุธรรมมาแล้วล่ะเพราะว่าท่านมีเวลาเยอะในการอา่านแต่ว่าท่านก็ยังมีความทุกข์อยู่เนาะมีความทุกข์อยู่มากจนก็มีผู้แนะนําให้ท่านเขียนจดหมายม า, ยมายหาหลวงพ่อคำเขียนบอก ว, ว่าท่านนั่งสมาธิไม่ได้เดินโยกมุ้ไม่ได้จะปฏิธรรมได้อย่างไรหลวงพ่อคาเขียนก็ให้ปฏิธรรมนะโดยการ สามารถที่จะทำได้แนละรู้สึกตัวเนี่ยแหละถึงแม้จะสร้างจังหวะไม่ได้ก็รู้สึกตัวได้เช่นการพลิกมือเป็นต้นนะหรือคลึงนิว้วนะหรือเอามือกระทบต่างๆเราเนี่ยก็สามารถช่วยได้เนาะท่านไม่ได้ยกมือสร้างจังหวนะนัในระยะใหม่ๆเพราะท่านยกไม่ได้ไม่มีกําลังในแขนนะเพราะว่าท่านเป็นมนาพาสแขนก็ยกได้เพียงเล็กน้อยท่านก็อ่าพลิกมือบ้างคลึงนิ้วบ้างต่างๆเหล่านี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนแล้วท่านก็ ท่านรู้สึกว่าแค่หนึ่งเดือนนะท่านก็จะความทุกข์ได้แล้วคือท่านอาประเด็นสําคัญคือท่านเห็นกายและใจมันแยกจากกันนะตรงนี้คืออ่าจุดสําคัญของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านท่านสามารถเห็นนะไม่ได้คิดเอาเห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันนะท่านมาว่าเปรียบ ม, มันกับอ่าขวดยี่หมองฮะขวดกับฟ้ามันแยกออกจากกันแล้วนะ เพราะนั้นนะตรงนี้ท่านก็เห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งหลังนั้นที่เมื่อก่อนที่ท่านคิดว่าการที่เป็นอมพาตเป็นความทุกข์นั้นใจเองมันก็เหมือนก็เป็นอมพาตไปด้วยก็มีความทุกข์ไปด้วยแต่จริงๆแล้วกายเนี่ยมันมันเป็นอมพาตแต่ใจเองท่านไม่ได้เป็นอมพาตเพราะฉะนั้นกายมันก็คือมีความทุกข์แต่ใจมันไม่จําเป็นต้องมีความทุกข์กับกายด้วยเพราะท่านเห็นแล้วมันแยกออกจากกันได้นะ ใหญ่มันกลายเป็นผู้ดูไปนะดูกายดูกายมีความทุกข์ดูกายเป็นอมพาสแต่เมื่อก่อนมันเป็นตัวเดียวกันนะก็คือใจเนี่ยมันกับกายมันรวมกันเพราะฉะนั้นเมื่อกายทุกข์ใจก็มีความทุกข์มันไม่ได้แยกกันแต่เมื่อท่านเข้าใจธรรมะแล้วมันแยกมันมีสภาวะที่มันแยกรูปแยกนามท่านเห็นมันก็เลยแยกกันจริงๆตรงตรงนั้นได้นะท่านก็เลยเห็นว่ากายมันทุกข์นะก็คือกายเนี่ยมัน มันพิการนะกายมันเป็นอพาสานะกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งมันก็เลยแยกจากกันได้ใจก็ไม่มีความทุกข์ได้เนาะอันนี้คือหลักสําคัญในการบัตรธรรมนะเพราะนั้นถ้าเราไปบัตรธรรมตรงนี้เราจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะอแล้วเราอประกาศสําคัญเราไปบัตรธรรมแล้ว เ, เราเห็นไหมใช่ไหมเราเห็นเห้รูปเห็นห น, ห น, ห น, นามไหมเราแยกรูปแยกนามได้ไหมตรงเนี้ย ถ้าเราแยกได้ใจก็จะเป็นผู้ดูไปทุกๆอย่าง alert, กายเดินโยงกลมกายสร้างจังหวะเราก็เป็นผู้ดูเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปเพ่งกายนะเนาะไม่ได้ไปเพ่งที่มือในการเคลื่อนไหวไม่ได้ไปเพ่งเท้าในการเดินโยงกลมแต่เราเป็นผู้รู้สึกเท่านั้นเองมีใจเนี่ยเป็นผู้สังเกตเป็นผู้รู้สึกการเคลื่อนไหวของกายของการยกมือหรือการเดินไม่ได้เข้าไปในการเดินไม่ได้เข้าไปในการยกมือ ถ้าเราเพง่งเราจะเข้าไปในการเดินและการยกมือนะแต่เราเป็นผู้รู้สึกเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นเองเนอะเ <c oughs> พราะนั้นเราทำงานต่างๆนะมันก็ทั้งวันนอกลูกแบบก็เยอะแยะเลยกวาดบ้านถูบ้านแปรงฟันล้างหน้าอาบน้าอุจจาระปัสสาวะทำนูน่นทำนี่ทั้งวันทาครัวต่างๆเราก็เป็นผู้ดูไปเราก็ ดูกายเคลื่อนไหวดูกายทํางานไปมีใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้ดูใจไม่ได้เป็นผู้เป็นใจเป็นผู้เป็นผู้สังเกตเท่านั้นเองนะคือใจมันดูกายทํางานเนาะอันนี้มันมันเป็นการแยกรูปแยกนามในตัวแล้วนะนะส่วนความทุกข์ในทางใจต่างๆนะความรักความชางังความเกลียดความโกรธนะความมิจฉาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจ ความเหงาความเครียดความกลัวก็มีใจเป็นผู้ดูอีกเหมือนกันนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็อถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราก็รู้สึกว่าเรากลัวนะเราเราไม่ชอบเรารักเราชังเราเกลียดเราเหงาเราเครียดนะตรงตรงนี้มันยังไม่ได้แยกนะอะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วจริงๆมันจะแยกมาเป็นผู้ดูก็คื อ, อความความกลัวก็อยู่ส่วนหนึ่งเราก็เห็นความกลัวไม่ใช่เรากลัวนะ ความกลัวนี่มันเป็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูเขานะหรือความโกรธความรักความอิดช้าแล้วก็ดูเข้าไปนะมันเป็นการแยกออกมาไม่ใช่เราเป็นนะก็คือเห็นเห็นใจมันเห็นใจมันกลัวเห็นใจมันโกรธเห็นใจมันรักเห็นใจมันช่างเห็นใจมันอิดช้านี่มันมาต้องเห็นอย่างงี้นะมันจริงจแยกออกมานะ เพราะนั้นตรงนี้เราเร า, เราก็ต้องเห็นได้ได้นะเป็นนักปฏิบัตินั่นแหละไม่งั้นมันก็จะเป็นตัวเราอยู่วันยังคำ่ำนะครั้นี้ถ้าเราไม่เห็นเราก็ต้องสังเกตให้ได้นะตัวจริงๆแล้วตรงนี้มันดูไม่ยากเลยว่าใจมันทำงานมันเองนะความคิดเนี่ยเขาทำงานอยู่เรื่อยๆนะเพียงห้านาทีก็คิดไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะตรงนี้เราสังเกตได้ไหมว่าใจมันทำงานเองนะเราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะไม่ใช่เราเข้าไปในความคิด แต่เราเห็นความคิดแล้วเราก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วเราก็ไม่ห้ามความคิดเนะตรงนี้คือหลวงพ่อเทียนบอกไว้นะให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนี่ยเราก็จะเห็นความคิดเขาทางานเองนะถ้าเราเห็นความคิดเขาทางานเองแล้วเราเป็นผู้ดูได้นะมันมันแยกมาแล้วนะบางทีเราเดินจงกรมแค่ห้านาทีมันคิดต้องหลายเรื่องแล้วก็เป็นผู้ดูไปอใจมันก็จะเข้าใจเออมันมันแยกกันแล้วนะ เราเป็นผู้ดูดูใจมันคิดมันไม่ใช่เราคิดถ้าเป็นเราคิดเราก็ต้องรู้ว่าอีกนาทีหนึ่งข้างหน้ามันจะคิดเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยนะมันเอาคิดมันอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราสามารถเห็นความคิดได้ไม่เข้าไปในความคิดต่อไปเราก็จะเห็นความโกรธได้นะไม่เข้าไปในความโกรธเหมือนกันก็เป็นผู้ดูความโกรธดูอาการต่างๆของใจไม่เข้าไปเป็นนะ ตรงนี้มันก็เรียกว่าเป็นการแ <_' em> ยกนามนะเป็นผู้แยกแยกรูปแยกนามได้เราเดินโยงกลมแล้วก็ดูกายเขาเดินไปมีความคิดแล้วก็ดูใจเขาคิดไปเท่านั้นเองเราก็เป็นผู้ดูนะแต่เ ม, มื่อก่อนเราเดินก็เป็นคนเดินมีความคิดเราก็เข้าไปในความคิดเราก็ไม่เห็นนะตรงนี้มันมันไม่ได้แยกรูปแยกนามให้เราเห็นนะเพราะนั้นถ้าเราไปวัดรมตรงนี้เราก็จ ะ, ะมันก็แยกได้ให้เราเห็นตรงนี้ชัดเจนนะ หลังนั้นมันก็ใจจะปกติได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเยอะพอเราเห็นมันก็มันก็หยุดการปรุงแต่งได้เห็นเห็นใจมันคิดนึกเห็นใจมันโกรธไปรักไปชังมันก็หยุดได้นะเพราะมันเห็นแล้วมันก็จะหยุดแต่ท่านมันไม่เห็นก็จะมีตัวเราเข้าไปเป็นผู้รักผู้ชังผู้เกลียผู้โกรธมันก็ไปปรุงแต่งต่อมันก็ไม่หยุดนะเพราะมันลักษณะตรงนั้นเหมือนกับเราเข้าไปเล่นกับมันเราเข้าไปในเรื่อเรื่อง แต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเหมือนภูมิกำกับะผู้ดูมันก็ไม่เข้าไปในเรื่องๆเราก็เห็นมันะตรงนี้ที่หลวงพ่อกำเเพบมาว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเนาะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะแต่สมัยก่อนเราก็จะเป็นผู้เป็นตลอดแต่ถ้าเรามาไปบัตรธรรมมันจะแยกไหมเราเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะมันก็ตามมาสังเกตได้ตรงนี้ก็คือลักษณะของการเห็นมัตติลักษณนั่นเองะเพราะการที่เราเห็นมัตตรักหมายความว่าเราสามารถแยกออกมา ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาการที่เราเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันเป็นกันที่เราเห็นนัตาอย่างหนึ่งแล้วในขั้นต้นนะพราะเมื่อก่อนมันก็เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นเราเราเดินเรานั่งเรานอนเราเกลียดเราโกรธนะแต่พอเราเห็นด้วยด้วยความเข้าใจก็เห็นว่าเออกายกายมันยืนมันเดินไม่นั่งไม่นนอนเห็นใจมันมันไม่ชอบมันเกลียดมันโกรธ นีมันก็แยกมามันไม่ใช่เรานเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเราเห็นมตไตรลักในการเห็นอนัตตาว่าไม่ตัวไม่ใช่ต น, นการที่เราเห็นในตรงเนี้มันมันเป็นการเราว่าเราเราเริ่มที่จะปล่อยปล่อยความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของเรานี่แหละเพราะว่าความเหมือนตัวตนของเราเนี่มันเยอะนะมันมันเป็นสิ่งที่เ่าเป็นอย่างเหนียวในการที่เรายึดมั่นในตัวตนนี้มาตลอดชีวิตเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะเพราะมันก็เกิดมากับตัวตนนี่แหละ มันไม่มีใครมาสอนเราหรอกว่าตัวตนไม่ใช่ของเรานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีใครสอนเพราะนั้นการยึดมั่นมันไม่จะเป็นเรื่องผิดนะแต่พระเจ้านี่ท่านก็บอกเรานะบอกเรามาต้องนานแล้วเราทำว่าเช้าทุกวันท่านก็บอกเราตรงเนี้ยสัพเพสังฆารานิจาสัพเพสังฆาราทุขาสัพเพธรมมา น, นาตา น, นะคือร่างกายจิตใจเนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุพ เป็นน้าตาไม่ใช่ตัวไ ม, ไม่ใช่ตนนะเพราะฉะนั้นการเราไปยึดมัน่นถือมั่นในกายและใจตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราเองนะจริงๆแล้วเราก็เป็นผู้ที่ส่วนหนึ่งก็คือเรามาอาศัยการรู้การรู้กาย ร, ร, ร, รู้ใจเขาเติบโตขึ้นมาของเขาาตามเหตุตามปัจจัยเราเป็นผู้เข้ามาอาศัยเท่านั้นเองนะเพราะเราจึงไม่ต้องไปละตัวละตนถ้าเราไปละตัวละตนก็กลายเป็นว่า มันเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นลากเขาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นของเราตั้งแต่ต้นแล้วเราเพียงแต่ถอดถอนฟังเข้าใจผิดตรงนี้นั่นแหละถ้าถอดถอนได้มันก็ออกจากความเป็นตัวตนได้นะการถอดถอนก็คือเราก็เห็นเขาทํางานเองบ่อยๆนะเห็นกายทํางานเองเห็นใจทํางานเองบ่อยๆนะตรงเนี้มันก็จะออกมาได้อย่างจริงนะบางคนบอกว่าเออกายนี่มันก็เป็นของเรานะถ้าไม่เป็นเราเราจะบางเราก็ให้เขายืนเดินนั่งนอน ต่างๆได้ใช่ไหมแต่เราดูให้ดีจริงๆแล้วเราบังคับเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมหัวใจเขาก็ทํางานเองนะเราบังคับเขาต่างๆไม่ได้นะอถ้าเราต้องสั่งให้เขาทํางานนะเราก็คงตายไปนานแล้วใช่ไหมเวลาเรานอนแล้วก็สั่งให้หัวใจทํางานไม่ได้น ะ, อะปอดก็ทํางานเองอเส้นเลือดนะกระเพาะอาหารก็ย่อยอาหารเองนะก็คือวิวัฒภายในเขาทางานเขาเองอยู่แล้วนะเราบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอก ทำไมเขาทำงานของเขาเองนั่นแหละเขาจะเสื่อมเขาก็เสื่อมของเขาเองนะเราก็บังคับเขาไม่เสื่อมไม่ได้ตาเขาฟางฟางเองนะหูก็ตึงเองผมก็งอกเองผิวหนังก็เหี่ยวย่นเองสิ่งต่างเนี่ยเขาก็แก่ของเขาเองนะเขาก็เสื่อมของเขาเองนะอันนี้มันเป็นสภาวะที่ว่าร่างกายก็เป็นเช่นนั้นของเขาเองนะเราบังคับก็ไม่ได้อันันมันเป็นตามที่ว่าเขาเป็น ตามเหตุตามปัจจัยนะเรามีหน้าที่รู้แล้วก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเข า, า ก, กายเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายไปเป็นธรรมดาเพราะเราก็ไม่ได้ไปทุกข์อะไรเขาแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะมีความทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายซึ่งตรงนี้เราก็หนีไม่พ้นนะนันเป็นทุกข์ประจําสังขารอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในความเป็นจริงมันก็ยอมรับทุกอย่างนะ คือยอมรับความไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะความไม่เที่ยงก็คือของจริงนั่นเองนะทุกอย่างในโลกนี้ก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การพัดผ้าการสูญเสียการเสื่อมสลายไปการเปลี่ยนแปลงความแปลปรนทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราตัวเขาคนที่เรารักก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกๆคนนะไม่มีใครไม่เปลี่ยนแปลงหรอกใช่มเพราะนั้นเมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยง นะมันก็ไม่มีความทุกข์นะแต่เมื่อใดถ้าเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงมันก็จะมีความทุกข์ตลอดนะเพราะในโลกนี้ก็มีแต่ความไม่เที่ยงเท่านั้นนะคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วที่ยอมรับความเป็นจริงคนนี้ก็จะไม่ทุกข์เพราะว่ามันไหลไปตามกระแสปัฏฏิรักกระแสวัฏฏิรักก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์ความทุกข์คือความที่เราอ่ะมันจะคงอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะมีแต่ความอบีบคั้นนะไม่อาจจะคงในภาวะเดิมได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง อ่าแล้วก็ความไม่ใช่ตัวเมตตนบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละถ้าผู้ผใดที่เข้าใจตรงนี้แล้วจิตก็จะไม่มีความทุกข์เลยนะแต่ว่าผู้ที่ไม่ไม่เข้าใจอ่าจิตไม่เห็นมันไม่ยอมรับ ก, ก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดนะอ่าเพราะใจมันมันไม่ได้เข้าไปสู่กระแสแห่งความเป็นจริงอ่าไม่ได้เข้าสู่กระแสแห่งสัจธรรมเพราะสัจธรรมก็คือความจริงนั่นเองนะความจริงคือปัตติรักนั่นเองอะเพราะฉนั้นเมื่อเราปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วก็คือ จิตจะยอมรับความจริงตรงนี้นะในในพระไตยลักษณ์ <c oughs> หลังงั้นก็จะเกิดการถอดถอนนะถอดถอนก็คือจากเมื่อก่อนที่เราอยากจะได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากได้นี่ะซึ่งก็คือตัณหาตัวหนึ่งในความอยากความมีความเป็นมันก็จะเกิดความเฉยเฉยความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการถอดถอนตัณหาเนาะ ตันหาก็คือสมุทัยนั่นเองสมุทัยคือสาเหตุความเกิดทุกข์ก็คือการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาที่เมื่อก่อนเราเราอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆแล้วเนี่ยเราเป็นการเจริญตันหะก็คือเจริญสมุทยัยสาเหตุความเกิดทุกข์ไปในตัวนะแต่เมื่อจิตเขาเข้าใจปัตติหลักแล้วเขาก็ก็จะวางได้เร็วนะก็คือเฉยๆจะไม่มีตันหามากก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรตรงเนี้ยมันเป็นการละ อ่าละสาเหตุแห่งความทุกข์เมื่อละสาเหตุความทุกข์ได้อจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการมีติดเกิดการเบือน่ายการคลายกําหนัดนะตรงนี้ถ้าเราอจิตที่ใครายกำหนัดก็จะจิตก็จะเกิดการหลุดพ้นเนะนะมันก็จะเข้าสู่ความเป็นพระรยาเจ้าในตรงนี้นั่นเองนะอมันก็จะคลายจากตัณหาความยึดติดต่างๆได้อในโดยเฉพาะในตัวตนของเรานก็จะคลายสักยติทีก็คือความยึดมั่นถือมาในตัวเรา เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราได้นะเมื่อมันคลายสักยายทิถิใจแล้วนะมันก็สามารถที่จะปล่อยในตัวอื่นได้เช่นวิจิกิจชาคือความรังเลสงสัยอสีรักตบรบกรมาดก็คือการรูปคําในศีลพอดิจิผิดๆนะเช่นการยึดถืออย่างอื่นเป็นพระตาไตยยึดถืออย่างอื่นมาเป็นสาระแทนพระตาไตยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเป็นพระัสดาบันได้นะอ มันก็เป็นหนทางที่เรียกว่าเราเข้าสู่ความเป็นพระริยาเจ้าได้ไม่ยากเพราะ น, นั้นในในขั้นแรกก็คือร่างกายญาติถิได้ไหมเห็นว่าเป็นแค่กายหรือใจได้ไหมเป็นแค่รูปแค่นามไม่ตัวไม่ตนได้ไหมเนี่ยคือคือประตูด้านแรกที่ว่าเร า, าต้องตีให้ฝ่าประตูด้านแรกให้ได้ก่อนนะเมื่อเราตีฝ่าแรกแรก็ได้แล้วประตูต่อไปก็ไม่ยากที่ว่าเราจะสามารถตีฝ่าไปได้นะ เพราะนั้นถ้าเราไปบัติธรรมได้ถูกต้องก็จะรู้สึกว่ามันก็เกิดการปล่อยกันวางการมติดเกิดการคลายออกจากตัณหาได้นะเพรา ะ, ะั้นเราจะรู้สึกว่าจิตเราก็เป็นปกติได้เร็วขึ้นนะมันก็กินเลยต่างๆก็แฝงตัวอย่างสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะมันก็หลบซ่อนหลบซ่อนไม่ได้นะเพราะเราจะเริ่มเห็นมันแล้วนะถ้าเราไม่เห็นมันก็จะหลบได้อย่างหาตัวไม่เจอแล้วมันก็จะโผล่มาให้เราเห็นเรื่อยๆนะแต่เมื่อเรารู้จักที่หลบซ่อนมาแล้วมันก็ไม่อยากจะซ่อนในใจเราได้นาน นะหลังจากที่เ็าซ่อนไม่ได้นานเขาจะหลบไปหายไปในที่สุดนะพันกินเ ล, ล้วก็จะนะค่อยๆจากไปนะตรงนี้คือขนทายแห่งความพ้นทุกข์นะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัฒนาบา ร, รมีคุณพระตาไตรน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเธอ